เริ่มต้นด้วยวันดีวันแรกของปีในการทำงานนะคะหลายคนก็อาจจะมีส่วนที่เตรียมกำลังจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วค่ะแต่ว่าในวันนี้รายการเคลียร์คัดชัดเจนอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับชีวิตใหม่ในปีใหม่นี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะทุกๆท่านอาจจะเจอกับปัญหาหรือว่าเจอกับทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่ยังไม่ถนัด ที่จะจัดการกับมันค่ะอย่างน้อยๆได้มีบทสนทนาธรรมในวันนี้ค่ะเป็นช่วยเป็นเครื่องนะคะที่จะช่วยพาท่านไปให้พ้นตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะอย่างที่เรามุ่งหวังค่ะคืนนี้เราได้สนทนากับท่านอธิการบรดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยพระพรหมบัณฑิตค่ะนามสกา ร, การพระพคุณเจ้าค่ะ โอ้ oh, ปีใหม่นปีใหม่คนก็บอกว่าไปมีความสุขก็ไปดื่มเหล้าไปอะไรเรเกิดเรื่องบ้างอะไรบา้นานสุขของเขาอะน่อสุขของเขานะครับแต่ทีนี้สุขจริงๆสุขลึกๆสุขในใจนะครับอยากจะขอให้พระคุณเจ้าช่วยบอก<ค>นิดนึงสุขจริงๆคืออะไรคือปีใหม่เนี่ยมันสุขได้กี่วันคบานทีไปฉลองกันไปทานอาหารไปเที่ยวไปอะไรต่างๆเนี่ยนะ เราก็คิดว่าเรามีความสุขแต่ความสุขเนี่ยมันมันมีสองมิติ ค, คือสุขทางกายกับสุขทางใจสุขทางกายถ้าเราไปเน้นอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยยิ่งยิ่งเราบริโภคยิ่งเราดูยิ่งเราเฉลยมากเนี่ยความเขาเรียกว่าผลคือความสุขเนี่ยมันจะลดลงเพราะว่าถ้าเราบอกว่า เราสุขทางกายคือหมายความว่าเขาเรียกว่าพังสุขผัสสะตาไปเห็นรูปที่สวยงามหลายหูไปฟังเสียงที่ไพเราะอาหารที่เราทานอร่อยอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขทำให้รู้สึกเรามีความสุขเพิเพนเจริญใจเพเจริญใจเหมือนกับว่าปีใหม่นี้เราไปทำอะไรก็ได้แต่มันมีกฎของมันว่ายิ่งเราไปรับมากขึ้นเนี่ยไอ้ผลที่ได้คือความสุขมันจะลดลง ต่อให้เราทานอาหารอร่อยมันจะมีความสุขมือแรกกันน ะ, ะพอทานซ้ำสัก3ามวันนี่ไม่ไหวแล้วบบกันนะออไปเห็นไปดูไปสัมผัสอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาพอหมดปีใหม่อุตส่าไปเต็มที่แล้วนะทำไมมันกลับมาเบื่อมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เพราะว่าเราไปเน้นว่าความสุขมันมีมิติเดียวคือสุขทางกายเพราะฉะนั้นคนที่มุ่งหาความสุขทางกายนี่จึง หาเหตุประชยัยเช่นหาเงินาหาอะไรก็ตามที่มาส่งเสริมให้ตัวเองเป็นอย่างนี้มีของมีสิ่งของบำรุงมาเร่อยมากมายแต่ในที่สุดแล้วยิ่งยิ่งมีมากกับพบว่าความสุขมันไม่ได้เพิ่มตามสัสดส่วนยิ่งมีมากแล้วมันกลายเป็นว่าความสุขที่ควรจะได้มันลดลง อ, อันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราเข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะให้ความสุขมันยั่งยืนเราจะต้องไปเพิ่มมิติทางจิตใจด้วยพัฒนาทางจิตใจให้เหมือนกับพร้อมที่จะเสวยสุขทางวัตถุทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไปมั่งมีสีสุขอยู่แต่ข้างนอกอย่างเดียวมีแต่เงินแล้วต้องต้องเสียเวลาไปเข้าเงินเข้าเงินอีกอเราไม่รู้จักแบ่งปัน ครับเราไม่รู้จักใช้เงินนี่ให้เป็นประโยชน์ไปสร้างความสุขให้คนอื่นในที่สุขความสุขนี่มันไม่ยั่งยืนแล้วความสุขมันก็หมดทีนี้ที่บอกว่าเรารู้จักแบ่งปันนี่เป็นเรื่องจิตใจแหละรู้เหมือนว่าของเราจะหายไปนะเวลาเราเอาเงินไปแบ่งคนอื่นให้ทานรักษาศีลเราต้องมาควบคุมพฤติกรรมของเราให้อยู่ดีมีสุขแต่ทั้งหมดทานศีลนี่มันรวมไปถึงจิตใจภาวนาที่เมตตาเนี่ยมันเริ่มมาจากใจของเราที่รู้จัก นึกถึงคนอื่นรู้จักแบ่งปันพอเรานึกถึงคนอื่นรึ้จักแบ่งปันนี่กลายเป็นว่ายิ่งเราให้ยิ่งเราสร้างความสุขให้คนอื่นเนี่ยเห็นคนอื่นมีความสุขความสุขเรายิ่งเพิ่มนะมันตรงกันข้ามกับวัตถุใช่ไหมวัตถุยิ่งยิ่งทำมากความสุขลดลงแต่ในเรื่องของคุณธรรมความดีในจิตใจเนี่ยยิ่งเราทํามากเราให้ทานมากสังเกตเรารักษาศีลเราเป็นคนดีปฏิบัติกรรมฐานอะไรนะยิ่งทํามากความสุขมันยิ่งเพิ่มแต่ทีนี้ ท่านให้มีทางสายกลางไงเอาสองอย่างเนี่ยทางสุขกายกับสุกใจเนี่ไปด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้เงินก็ไม่เอาฉันจะไปสุกใจอย่างเดียวมันก็ทําตัวเองให้ลำบากเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งหรือเน้นแต่ในเรื่องของด้านวัตถุอย่างเดียวเงินอย่างเดียวแสวงหาให้ร่ำรวยทะลาะกใครก็ช่างข้ามศพไปเกี่ยศพก็ได้แต่ในสุดเราก็รู้ว่ามันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชที่ท่านเขียนในจารึกอโศกไว้ 2,300 กว่าปีท่านบอกว่า ลบชนะทั่วอินเดียแล้วมันก็ไม่สุขนะอ๋อท่านเป็นเป็นมหาราชมหาญ่ของแรกที่รวมอินเดียเป็นเป็นเปรกแผ่นเป็นหนึ่งพอได้อํานาจมาแล้วท่านถามว่าอํานาจเพื่ออะไรเงินเพื่ออะไรยศเพื่ออะไรในที่สุดแล้วท่านก็บอกว่าในตัวมันเองไม่ได้มีคุณค่าถ้าเราไม่ใช้ทําความดีไม่ไม่ยกย่องธรรมะไม่บูชาธรรมะสรุปแล้วก็คือท่านก็หันมาใช้ยศอํานาจเงินทองเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นไงครับจึงเป็นที่มาของธรรมราชา Oh. แทนที่ท่านจะเอาชนะโดยสงคราม <c oughs> ท่านเอาชนะโดยธรรมะเป็นธรรมราชาเราเรียกว่าธรรมวิชัยเพราะเหตุว่าอันนี้แหละมันให้สิ่งที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นท่านก็หันมา <c oughs> แทนที่ท่านจะให้ไปเที่ยวล่าสัตว์กันเหมือนกับเป็นกีฬาของพระราชา <c oughs> ท่านก็ให้ข้าราชการนี่ติดตามไปเป็นธรรมญาตรา <c oughs> ไป ไหว้สังเวชนีสถานตําบลประสูตรตัสรุประสิทธิพันธ์ไปถึงที่ไหนก็ทําศิลาจารึกไว้นี่ประสูตรนะตัสรุนะทำให้คนรุ่นเหล่าเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าประสู ต, ตรตรงนี้ตัสรุตรงนี้นี่ก็ท่านก็เป็นต้นแบบของผู้ปกครองที่ใช้อํานาจเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นเพราะว่าในสุดพอมีอํานาจมากๆขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรอีกอะไม่ใช่เพื่อตัวเองรเราก็เลยมาถึงขั้นที่ว่าความสุขเนี่ยสาหรับคนทั่วไปเนี่ยนอกจากว่า เป็นเรื่องของเสาะแสวงหาแล้วเนี่ยมันจะต้องรู้จักแบ่งปันเมื่อเรามีก็ต้องรู้จักพอแล้วก็ต้องรู้จักให้เพราะว่าในการให้มันมาถึงมันเป็นคุณค่าทางจิตใจไงการที่เราทำความดีเรามีความสุขคนเดียวังพอเรายังทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยเพราะเราไม่เบียดเบียนเขาในขณะที่เราให้เราแบ่งปันคนที่ได้รับก็มีความสุขมันจึงมีคากล่าวว่าระบบสังคมที่พึงประสงค์เนี่ยมันไม่ใช่ เราไปอยู่คนเดียวแต่ว่ามันเป็นระบบการยานมิตรครับคิดนี้อย่างนี้ครหลวงพะคุณเจ้าครการให้ให้ยังไงถึงพอดีเพราะบางคนเขาโอ้ชันไม่เคยให้เลยให้ไปเดี๋ยวจะเหลือน้อยเอ๊ะถ้าเกิดไม่ให้ก็บ่าเห็นแก่ตัวแล้วให้เอ๊ะอยากจะมีความสุขแล้วฉันก็รวยมากแล้วฉันก็อยากจะให้มากคือมีหลักเกณฑ์ในการให้คือการให้โดยสรุปเนี่ยมีวัตถุประสงค์สองอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยเป็นการชําระ ความตระหนี่ความเห็นเกตตัวโอ้โ oh, ชำระตัวเองชำระตัวเองเขาเรียกให้เพื่อทําบุญอันนี้ก็ให้มันพอเพียงก็แล้วกันน ะ, oh, <okay. S 2> อะเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเหมือนกับฝึกไว้เราฝึกเด็กเนี่ยฝึกให้เนี่ยเด็กเขาไม่ได้มีมากเแต่ว่าฝึกเขาให้แบ่งปันตุ๊ ก, กตาแกอะไรต่างๆเนี่ยในสุดเขาก็จะมีจิตใจที่เอื้ออารี<ต>อันนี้เขาเรียก ว, ว่าเพราะฉะนั้นของมากของน้อยท่านจึงไม่ถือเป็นรมานในการให้ที่แบบเรียกว่าทําบุญเนี่ยนะทานเอาไมส่วนที่2นี่เรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์ เขาเรียกวสังขารวัตถุการให้เพื่อสองเคราะห์เราต้องไปดูคนลัพธ์สิ uh, เขากําลังเดือดร้อนอเขากําลังมีปัญหาแล้วคนที่เราสงเคราะห์นี่เป็นใค ร, คร uh, ถ้าเป็นคนที่เรารักคนที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นญาติพี่น้องนี่เขาป่วยเขาไข้นี่ถ้าเขาเปลี่ยนอะไรไปเราอยู่ได้หรือในกรณีนี้เราก็ต้องทุ่มเต็มที่เพื่อเอาให้เขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นการให้เพื่อสองเคราะห์สําหรับคนทั่วไปมันอีกอย่างหนึ่งรเราก็ดูความพอดีความพอเพียงของผู้ให้ของผู้รับ แต่ทีนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันที่าทมาพูดว่าไปด้วยกันเพราะว่าเราจะสร้างสังคมในอารมคติที่มีความสุขเนี่ยเราไม่ได้สุขคนเดียวต้องเอื้อทอกั น, นต้องเ อ, อื้ออนเครก่อกระเลนมิตเครืกระเลนมิทเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลงเรามักจะนึกว่า ถ้าเราฉลองปีใหม่น่ะท่านเคยฉลองคนเดียวแล้วมีความสุขไหมล่ะวันเกิดเนี่ยนาวสิไ่อย่งนั้นจะเพี้ยนนะมั้งเออนั่นแหะสิทำไมเราต้องสอคสอส่งความสุขให้คนอื่นน่ะแล้วทำไมไม่ส่งความสุขให้ตัวเองอ่ะก็เพราะว่าตัวคนที่เรารักหรือเขารักเราหรือสังคมเขาคนที่ปรารถนาดีเนี่ยเป็นปัจจัยที่เพิ่มความสุขอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสุขขาสังคสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของคนที่ มีใจสมานฉันรักให้กลมเกลียวกันเนี่ยนะให้ความสุขเพราะฉะนั้นท่านยังบอกว่าปิยันต์จะอนุปานณิภิเวลามีข้าวน้ำบริบูรณ์เรานึกถึงคนเป็นที่รักรแล้วอยากแบ่งปันเมื่อเรามีเราก็แบ่งปันแล้วทําให้คนที่รักนี่มาร่วมเรียกว่ามีมีสุขร่วมสุขเนี่ยทีนี้เวลาแที่เรามีความทุกข์เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะว่าเรามีความทุกข์เราก็อยากจะให้คนอื่นมาแสดงความหินใจมาร่วมงานทําไมเวลาที่เราสูญเสีย ญาติมิตรเนี่ยมันจึงมีงานงานศพงานอะไรต่างๆเนี่ยคใครมาร่วมแล้วมาร่วมแสดงความสูญเสียเห็นอกเห็นใจนี่เราก็จะรู้สึกว่าผ่นอนคล า, ายบรรเทาเวลาผู้นําประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดหายาน้ภั ย, าภายทําไมผูดนําประเทศอื่นจึงส่งสา ร, รส่งสารมาแสดงความเสียใจเนี่ยเพราะในยามที่เราทุกเราได้คนมาปรับทุกข์มาช่วยไม่โดดเด่ยพึ่งพิงเราไม่โดดเดี่ยวเราก็จะสู้ต่อไปเหมือนกับช้างตกล่มนะช้างตกล่มก็คือ มันตัวใหญ่มันยิ่งดิด้นมันยิ่งจมครับเพราะฉะนั้นช้างเนี่ยเวลาตกหล่มมันจะร้องดังๆให้ควานช่วยควานก็อุ้มช้างขึ้นจากหล่มไม่ได้ครับแต่เขาจะนําช้างอีกเชือกหนึ่งนะตัวใหญ่พอๆกันเนี่ยพร้อมกับโซ่หรือเชือกมาล่ามไอตัวที่อยู่ในหล่มเนี่ยดึงขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราเวลามีความทุกข์มันจะต้องมีทื่พึ่งครนะพึ่งเพื่อที่จะได้ปรับทุกข์ได้ช่วยเหลือด้วยหันหน้าเข้าไปหาเขาเรียกว่ามีเครือข่ายของ การป้องกันปกป้องตัวเองทีนี้เพราะเพราเราจะหาความสุขเวลามีความสุขเราไปไ ป, ไปสร้างความสุขคนเดียวมันไม่ยั่งยืนนะมันก็จะต้องสร้างเครือข่ายแบ่งปันที่ว่ามีทานมีสงเคราะห์แล้วเวลาที่เราอับจนมันก็จะได้มีคนให้พักพิงกันเองทีนี้อย่างงี้ครับคุณจะาพอบอกาต้องให้ต้องแบ่งปันเอือ้ออาทรแต่สังคมทุกวนันนี้พอกลับมาทางานนั้นทุกคนต้องแข่งขันกัน ความพอดีนี่อยู่ตรงไหนระหว่างเราต้องแข่งต้องแย่งต้องอะไรกันนะเหมือนกับความจริงมันสวนทางเหรอคะในชีวิตประจำไม่ได้ในชีวิตประจําวันของคนบางคนก็ต้องแข่งต้องค้าต้องตบางทีเขาแยกไม่ออกแยกไม่ออกแต่ว่าอีกใจหนึ่งเราก็อยากจะต้องให้เพื่อเราจะได้สังคมเราสงบสุขมีมีมุมมองอยู่สองประเด็นนะก็คือว่าในการแข่งขันเนี่ยเพื่อความสําเร็จ ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับได้นะซึ่งบางทีคนอื่นเขาไม่ยอมปรับเนี่ยมันมีสองอย่างก็คือหนึ่งเราจะแข่งขันหรือจะร่วมมือนะอ๋อครับถ้าเราไปเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันครับก็จะทำให้การแข่งขันนั้นดูเดือนแล้วยิ่งแข่งกันดียิ่งแข่งขันเนี่ยมันจะยิ่งล้มละลายแต่ถ้าเราร่วมมือกันนะแสดงสปิริตยุ่ร่วมมือกันให้อภัยกัน แล้วชักชวนกันสร้างประโยชน์ต่อไปเนี่ยความร่วมมือกลับจะทําให้องคอ์กรทําให้ส่วนรวมนั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นสปิริตของอที่ทํางานเนี่ยรเราควรจะมีส่วนไหมที่จะทําให้เกิดการความร่วมมือเหมือนกับ น, นกเนี่ยที่มันปีกสองปีกเนี่ยนะมันถึงจะบินไปได้ดีเอาปีกข้างเดียวบินไม่ได้ไม่ได้เราคนเดียวมันก็อยู่ไม่ได้เขาคนเดียวก็อยู่ไม่ได้ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าต้องเป็นปีกที่บินพร้อมกัน อันนี้นี่ก็คือต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรถ้าเรามีอํานาจนะแต่ถ้าเราเหมือนเหมือนกับทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละตามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันและกันเกิดขึ้นโ บ, โบราณเขาบอกว่าน้ำพึ่งเรือเพลิงพึ่งป่าข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายทีนี้เอ้าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะเราไปสร้างความร่วมมืออย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะถูกเอาเปรียบอีกใช่ไหมเพราะว่ามันมีความการแข่งขัน ที่สูงฉะนั้นเราจะทําอย่างไรในในสภาพของการแข่งขันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาดูแลจิตใจของเราเองเพราะว่าในการแข่งขันนั้นมันก็จะต้องมีการรู้เท่ารู้ทันรู้ใครเป็นอะไรอย่างไรทีนี้ในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราทําด้วยที่เรียกว่าการมองแง่ดีของกันและกันการมองแง่ดีเขาเรียกเมตตาเมตตาคือมองจุดดีว่าถึงเขาจะเป็นอย่างนี้ ถึงเขาจะทำกับเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาก็มีจุดดีนะแล้วเอาจุดดีของเขาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ถ้าเราเป็นเจ้านายบางทีลูกน้องกระดาเราบ้างรเราก็มองข้ามไอที่เขาด่าเขาว่าซะแล้วก็เอาจุดดีที่เขามาทำงานให้เราถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมงานเขาอาจจะหน้าตามไม่ดีแต่เขาพูดดีนะแต่หรือพูดจ๋า ก, ก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ช่วยแต่ว่าใจเขาดีนะเขาโกรธง่ายหรวคือหาจุดดีของกันและกันเขาบอกว่า ทุลโภอังคสัมปันโนคนที่มันจะดีพร้อมทุกอย่างมันหาได้ยากในโลกโ<อ>เพราะฉะนั้นเราจะไปเกณฑ์ให้คนเนี่ยสมบูรณ์ร0อยเซถูกใจเราร้อเซนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะทําอย่างนู้นอย่างนี้ที่ดูเหมือนไม่พอใจเราบ้างอะไรบางก็ต้องมองข้ามในส่วนนั้นเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อเอาส่วนที่ดีเขามาใช้ประโยชน์มาทําร่วมกันดังที่เขาบอกว่าออสองคนยนต์ตามช่องอ ค, คนหนึ่งมองเห็นโคลนตมครับ อีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พร่าพรายเราจะมองหาจุดดีในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ดีกว่าหรือยังไงก็ต้องมีอยู่แล้ว<ช>ต้องมีอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาใช้มาทําประโยชน์กันก็ได้เหมือนกับที่ท่านเพื่อท่าท่านบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาครับจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ครับเป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชัว่วอย่าไปรู้ของเขาเลยครับจะหาคนที่ดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย เหมือนมองหาค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงคือถ้าถ้าเราหาจุดดีมันจะมีจุดเชื่อมครับมันก็กลับมาเรื่องสังคมการนยามิตรอะไรแหละมันก็จะทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นทีนี้อย่างนี้ครับพระคุณเจา้าพอคนกลับมาทํางานแล้วความเครียดกลับมาอีกแล้วมีธรรมะข้อไหนไหมครับที่จะทําให้เราเนี่ยคลายเครีย ด, ห ร, ด, ดหรือจัดการกับความเครียดได้แล้วอยู่ในสภาพเดิมได้ไดคืออย่างนี้ ที่ที่เราเครียดมาจากตัวเราเองก็ได้มาจากคนอื่นก็ได้งานมันน่าเบื่อมันโนเองมันซ้ำซากหรือมาจากการแข่งขันอย่างที่ว่าเนี่ยทีนี้หลักของการทํางานให้สนุกมีความสุขกับการทํางานเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าสภาพจิตนะเป็นเรื่องของสภาพจิตล้วทีนี้คือการทําใจในขณะที่เราทํางานเนี่ยให้มันลื่นไหลให้มันมีสมาธิเขาเรียกสมาธินะสมาธิก็คือเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้น แล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับงานนั้นมีมีสมาธิเนี่ยถ้าเรามีสมาธิในเรื่องไหนเราจะมีความสุขกับเรื่องนั้นถึงงานจะหนักเราก็มีเครียดสมมติว่าครูสอนนักเรียนอย่างเงี้ยถ้าครูเองก็ไม่ชอบงานสอน อ, อยากจะไปทำงานอย่างอื่นรอว่าเมื่อไรเขาจะย้ายให้อย่างนี้ไม่ชอบงานที่ตัวเองทำก็มีความทุกข์แล้วยังไปเจอเด็กซนอีกในเวลาเข้าสอนอีก โอ้โหยังกระจับปูใส่กระดร้งเขาก็ยังมีความทุกข์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมีความสุขเนี่ยปรับสภาพจิตใจหนึ่งทำใจให้ชอบใน <ทำ S 2> สิ่ง <ใจ S 2> ทำใจก่อนเขาเรียกว่าฉันท่าสมาธิรเราเราชอบสิ่งไหนเราจะมีมีสมาธิในสิ่งนั้นเราจะเกณฑ์ไหมถ้าเราชมภาพยนตร์เรื่องที่เราชอบเป็นยังไงแป๊บเดียวหมดเวลาเราเราเร า, เราทำงานอดิเรกเนี่ยเลีเ้ยงปลูกต้นไม้หรืออะไรต่างๆที่เราชอบเนี่ย มันมันไม่ทุกเนี่ยแป๊บเดียวนะแต่เวลามาที่ทํางานทําไมใจเราไม่เป็นอย่างนั้นเรารไม่พิจารณาเห็นคุณค่าของงานของเราเลยว่างานเนี่ยมันดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไงต่อตัวเราต่อครอบครัวต่อสังคมต้องเปลี่ยนมุมมองมุมมองหาหาจุดดีของของงานให้ได้อ๋อครับเหมือนกับเรื่องเมตายนั่นแหละแต่แทนที่จะเมตตาต่อคนหาจุดดีของคน หาจุดดีของงานเมตางานมเมตางาน ง, งานมันให้เงินงานให้เงินแล้วมองมองงานไม่ใช่ในความหมายที่ว่ามีเมตรีนะเมตตาคือมีเมตรีรออดูแลรักษางานไม่ใช่ว่าแม่แม่ค้าบางคนเนี่โบราณก็บอกว่าอะไร พอร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยนะแทนที่จะเผาทิ้งไม่คานนะเอาไม่คานไปปิดทองให้ลูกหลานนี่กลับไหวเลยนะบอกแม่ได้ดีมาเพราะไม่คานนี้ส่วนส่วนเพราะฉะนั้นต้องการจันยุต่องานมองแง่ดีของงานรักษางานเอาไว้แต่อีกบางคนนี่นหาไม่คานไปพอรวยเมื่อไรจะเผาทิ้งก็หาตลอดชีวิตนะนี่มันไม่มีไมตรีไม่ยกย่องงานของตัวเองไงเพราะฉะนั้นหาจุดดีเพราะจุดดีเราทํางานเราเรางานเราเจริญใช่ไหม เราก็จเจริญไปด้วยงานดีเราเราก็ดีทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยในขณะที่เราทํางานพอเรามองแง่ดีแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขเพราะแม่ค้าที่ขายของเนี่ยเขาเห็นมีความสื่อสัตว์ใช่ไหมพอ ค, ค, คนมาทานอาหารโอ้เขามีความสุขเราพอมีความสุขแล้วกับคุยกันไปอะไรกันไปเวลาสอนหนังสือพอครูรักอาชีพ ข, ของครูเด็กเข้ามาเรียนโอ้เด็กมีไรเดียนสายอย่างนี้พอเรากาลังสร้างโลกสร้างชาติมีความเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองทำํำแล้วเขาเรียกเกิดสมาธิเนี่ยนะ ชันทสมาธิเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เหมือนกับมันไหลไปตามกระแสะเมื่อไหลไปตามกระแสงานเราไม่มีการขัดขืนเนี่ยมันหมดเวลาโดยไม่รู้ตัวน ะ, ะมันมีความสุขเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้ น, ม, นมันเหมือนกับทำไมเนี่ยคนที่เป็นนักแสดงที่ว่าสุดยอดเนี่ยนะเวลาเขาแสดงเนี่ยเหมือนกับมีองค์เข้าอะไรเขาไม่ใช่เขามีสมาธิบางช่วงเนี่ย เ, เขาเพลิดเพลินกับงานเขาแสดงออกมาเขาพูด เขาแสดงเขาร้องเพลงหน้าเวทีเนี่ยเพราะจิตมันเข้ากระแสสมาธินีมันมันมันลื่นไหลไปมีความสุขหมดเวลาไปชนิดที่ว่าเวลาเขาไปดูวีดีโอเขาเองเขาคิดว่าเขาทําไม่ได้อีกนะเพราะว่าองค์ประกอบสักการะอยู่ที่จิตไงถ้าช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยจิตเขามีสมาธิถึงที่เนี่ยความสุขการแสดงออกมันเป็นโดยธรรมชาติแต่ถ้าเขาเกิดเขาว่าเขามีปัญหาเขามีเรื่องคุณข้องหมองใจมีอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นท็อปฟอร์มนะเหมือนมันกวนคลื่นมากวนคลื่นเพราะฉะนั้น เราทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่าให้สิ่งต่างๆนี่ที่ว่ามันเครียดเพราะอะไรเพราะว่าคลื่นแทรกมันเยอะในขณะที่เรากำลังทำงานหนึ่งชิ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไปห่วงที่บ้านเราไปห่ว ง, วงค น, งนในครอบครัวคงเงิน ห, ห่วงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าบอกมีสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือเอกกับตาคิดทีละเรื่องอคิดทีละเรื่องกไหมเขาว่าขณะนี้กำลังทำงานชิ้นนี้อยู่หนึ่งชั่วโมงให้มันบจบ มุงจะมุ่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปใส่ใจไอ้คนที่มันรออยู่หรือมันทวงหนี้อยู่นะถ้ามันมีนะถ้าผู้ถ้าผู้ทำงานไปด้วยคิดด้วยอ้คเจ้านี่กาลังมารออยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสุขมันไม่มีหรอกแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันทําหน้าที่นี้เขาเรียกว่า The Show m o s c o On น่ยตอนนี้มันจะต้องแสดงนะใครจะมารออยู่ตรงไหนมันคนอีกหลาเรื่องกันพอเราใส่ใจทุ่มเทตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีพลังนะเพราะมันมีพลังมันจะทํางานให้ทําสําเร็จเพราะจิตของเราเนี่ย ถ้าในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมันมันมองหาเรื่องหลายเรื่องมาคิดพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนแสงพระอาทิตย์นั่นแหละกระจายไปหลายที่มันไม่อะไรไม่ได้แต่พอเรารวมพลังแสงนะเหมือนมีกล้องรวมแสงเนี่ยเลนเลนไม่หมดเลยปัญหาให้มันยากๆทั้งหลายเนี่ยมนเหมือนกับสิ่งที่เราจะกำจัดไปเนี่ยจิตของเราเหมือนแสงพระอาทิตย์แล้วรวมพลังโฟกัสไปที่เดียวกันเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็แก้ปัญหาได้ทีนี้พตอนท้ายรายการอยากให้ท่าน ผู้ชมค่ะโฟกัสนิดหนึ่งอยากใช้ขคุญเจ้าทั้งทั้งโฟกัสด้วยแล้วก็ต้องฝึกด้วยฝึกด้วยนะครับแล้วก็พี่หยค์อยากให้ท่านให้พรปีใหม่นี่นะครับคือพรจากพระเนี่ยดีที่สุดนะเป็นหลักคิดนะฮะแล้วก็ใช้ได้ตลอดใช้ไม่มีหมดอยากให้ขคุณเจ้าให้พรนิดนึงนะครับว่าคนไทยนะฮะปีเนี้ยชาวไทยเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือมองชีวิตปีใหม่เนี่ยว่า เราจะเริ่มปีใหม่ให้มันมีความสุขมันดีกว่าเก่าเนี่ยมองย้อนกลับมานิดหนึ่งในปีที่แล้วมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงตนเอง mm hmm. ก็เปลี่ยนแปลงเสแล้วก็เริ่มปีใหม่ด้วยความหวังทุกคนจะต้องมีความหวังคือมองจุดดีกันมองจุดดีของกันและการมีความหวังในกันและกันมีมองจุดดีของเราเองของประเทศชาติของเราว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้น ดีขึ้นเพราะเราร่วมกันทำความดีตัวเราดียังไม่พอร่วมกันทำความดีแล้วมันจะเป็นพลังที่จะนำให้ส่วนรวมนั้นดีขึ้นคือมีความหวังไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเมือม่อเราเริ่มด้วยความหวังเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีตามนั้นดังที่เขาบอกว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรมายหวังไวเ้เถิดหวังยังยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจพรแห่งพระพุทธพระธรรมพระสง ก็จะอำนวยพรให้เราสมหวังดังที่ตั้งใจอันอันเป็นกุศลทุกผู้ทุกคนตลอดปีใหม่และตลอดไปเทิสาธุครับนมาส ก, การ<ำ>ขอพระคุณพระคุณเจ้าค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยค่ะพระพรหมบัณฑิตค่ะกับพรปีใหม่นะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นคำเคล็ดลับจริงๆคำง่ายๆนะคะหาจุดดีครับแค่นี้ไม่เครียด รู้จักใจตัวเองนะครับค่ะแล้วก็ให้ชัดเจนจากพี่ยงอีกสักทีหนึ่งดีไหมคะพระคุณเจ้าชัดเจนที่สุดแล้วนะครับฟังมันนี่ผมยังได้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะเอาไปใช้ด้วยปีใหม่นะครับซึ่งหวังว่าท่านผู้ชมที่ตามกันไปเนี่ยเราตามกันมาเนี่ยนะฮะฟังกันมาเนี่ยก็จะเอาไปใช้ประเทศจะได้มีความสุขด้วยนะนอกจากเราเปความสุขแล้วค่ะโอ้ถ้าได้ฟังก็ก็จะได้เห็นสิ่งที่พี่หยงชอบพูด หัวใจสําคัญคหลายคําเลยนะคะในคืนนี้ค่ะส่งความปีใหม่กับเคลียร์คัดชัดเจนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะกับเราทั้งสองคนนะคะคช่วงนี้เราทุกคนในที่นี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ